ไปเที่ยวแม่ท่ทงแก่ไปเที่ยวบ่อยๆไปเที่ยวกับไปเทียเท่ยวบเงนันบนบางนี่ไปเป็นการเปลี่ยนอารมณ์ไปเฉยๆไม่ได้ความสุขได้ <c oughs> ไปเที่ยวต้องภาวนา เพราะว่าหน้าต้องมีสติต้องตั้งสติตั้งใจไปเปลี่ยนอิริยบถไปที่ไหนที่ไหนดูดูแลต้องต้องให้ได้ปัญญาให้ได้ไปให้ได้ปัญญาให้เข้าใจถึงความเปลี่ยนแปลงความเปลี่ยนแปลงของสิ่งที่ไปดูไปเห็น ก็ น, น้อมมามาเห็นความเปลี่ยนแปลงของเจ้าของด้วยเด้อตะกอน่เป็นนุมเป็นแหนมอยู่ทําการทํางานทําธุรกิจหาเงินหาทองไม่มีโอกาสที่จะไปเที่ยวไปดูที่นั่นที่นี่ที่นี่มันก็เปลี่ยนแปลงไปเหมือนกันเปลี่ยนแปลงจนมา่านี่อายุมากขึ้น อที่นี่ร่างกายมันก็เปลี่ยนแปลงไปเด้เดินก็พวกแข็งแรงเนี่ยเปเน็ดเหนื่อยไปเที่ยวดูน่นดูนี่แน่ก็่าเน็ดเหนื่อยเมื่อยหิวเมื่อยล้าส่วนมากก็จะอยู่ท่าห้องแอร์อะไรแบบนี้ <c oughs> อยู่จะนอนพักวันนอนสบายสบายนี่คือความเปลี่ยนแปลงต้องให้ใส่ปัญญา เป็นเรียกว่าวิตกถ้าตามตามธรรมะเนวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาเนี่เป็นองค์ของชาติปฐมปฐมชาติที่หนึ่งเพราะฉะนั้นการดูดูแล้วให้ได้ปัญญาเขามาสอนใจให้รู้อีกถึงข้อมเปลี่ยนแปลงสติ สติมีแล้ระลึกรู้ตั้งใจไปเรื่อยๆเรื่อยๆทุกคณะคิดทุกวันที่ไปเที่ยวดูนั่นดูนี่สติจับตั้งมันไม่เผลอไม่ให้จิตใจนี่มันปุงฟุ้งเรื่อนล้อยไปเห็นอนไนให้ให้รู้รู้เรื่องอเอดี๋ยวมีสติรู้เรื่อ ง, ม, องมีปัญญา ต้องไขขควรเห็นของภายนอกที่นี่ก็ให้นน้อมเขามาดูเห็มาดูสําคัญแบบดูร่างกายของเรานี่แหละอร่างกายของเราเนี่ยถ้าถามกันว่าสบายบอเจอหน้ากันสบายไม้มสบายพอผู้ตอบอืแต่ให้รู้เรื่องว่าสบายเน่ยคือกายมันสบายกายมันบอ แปลปว่วนมันบอเกิดโรคเกิดพ่ายนี่แหละความสุขความสุขของกายสุขยุที่ไม่มีโรคไม่มีพ่ายที่มีกำลังเข้มแข็งแข็ ง, แ, ขงแรงจะเดินจะเหินไปได้ง่ายจะนั่งจะนอนเปลี่ยนเรียบรถก็ได้ง่ายนี่ให้ดูบ่ที่นี่เมื่อมันเปลี่ยนแปลงบ่มันก็ไม่เป็นเหมือนเดิมเดยอ จะยืนจะเดินจะนั่งก็ยากลำบากแม่ถ้าไปเที่ยวก็ต้องนั่งรถเข็นไ่วะต้องใส่รถเข็นถีอว่าไปเที่ยวสบายมีความสุขมันสิสุขยังไงบว่านั่งรถเข็นไปเที่ยวนี่ให้ใส่ปัญญาดูความเปลี่ยนแปลงของกายดูอารมณ์ของจิตของใจบ่ คิดใจมีมีธรรมะเป็นอารมณ์หรือไม่หรือว่าอยู่กับสังขารเป็นอารมณ์ถ้าอยู่กับสังขารเป็นอารมณ์มันก็ปุงนั่นปุงนี่ไปเรื่อยๆถ้ามีธรรมะเป็นอารมณ์ก็เรียกดูแล้วก็ให้เห็นความเปลี่ยนแปลงเนี่ยที่ดวงตาวา่าไปดูนั่นดูนี่ดูแล้วใ ห, ให้ได้ปัญญาให้ได้ปัญญาให้เกิดปัญญาหเห็นความเปลี่ยนแปลง อย่างไปดูของโบราณเมืองโบราณแต่ก้อนมันก็บว่าเป็นโบราณแต่ไม่ไมมันก็เป็นอีกอย่างหนึง่งเมื่อนานมาแมันก็เป็นอีกอย่างหนึง่งนี่คือข้อมเปลี่ยนแปลงร่วมแล้วเรียกว่าให้เห็นให้มีปัญญาลู่อันนี้จังทุกขังอนัตตาอันนี้จังไม่เที่ยงของภายนอกทุกขังมันทนอยู่ไม่ได้มันจึงแปลพวนไป อนัตตามันจะอยู่คงเส้นคงว่าคงเดิมไม่ได้มันต้องเปลี่ยนแปลงไปนั่นคือความเป็นอนัตตาที่พันว่าไม่ใช่ตัวใช่ตนดูภายนอกแล้วก็ให้นอ้อมเมื่อดูกายดูจิตของเราเมื่อเข่าใจความจริงตามธรรมะนั่นใจยังจะเป็นสุขนี่จึงจเรียก ว, ว่าไปเที่ยว ไปเที่ยวดูเทียเท่ยวชมเที่ยวเปิดโอกาสพรออค่ายอารมณ์ต่างๆ ต, ต้องให้ได้สติได้ปัญญาเข้าใจถึงความเกิดขึ้นตั้งยู่วและดับไปเนี่ยเรียกว่าเข้าใจถึงความเปลี่ยนแปลงก็ไามา่ใช่ตัวตนใจยังจะมีความสุขนี่เรียกว่าได้กาไร ได้กาไรทั้งธรรมะในการไปเที่ยวไปดูถ้าหากว่าไม่น้อมเขามา้าเป็นเรื่องของธรรมะเที่ยวไปดูไปไปครั้งที่หนึงแข็งแรงดีอยู่ก็ดูก็เพื่นไปอยู่กันไปหลายวันหลายขึ้นเขาไปมันก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยข้อแข็งแรงกัน่อยเขาไปมีแต่ความไม่แข็งแรงเกิดมากขึ้นมากขึ้น ไปเที่ยวดูเที่ยวส้มที่แรกจะล่งไปดูได้ส้มได้พอไปถึงแห้งที่สองเนี่ยพ่อยากล่งจากรถเลยเนีเหมือนอย่างโยมเมืองหนองค่ายนี่มตอนลงปูคนไปท่าบุญเวียงจันทร์นี่ม่อนไปเที่ยวดูวัดพระแก้วดูอย่างไปเพื่นก็ล่งจากรถวันเดียวเท่านั้นแหละไปวันที่สองเพื่นก็มาลง วันที่สามก็บวลงเลยเพราะว่าร่างกายกําลังของกายมันว่าหายแล้วมันว่ามีความสุกยังดกอกจริงๆว่าได้ประโยชน์ในการไปเที่ยวเนี่ต้องต้องมีธรรมะนต้องใส่สติปัญญาเข้าใจถึงความเปลี่ยนแปลงอ น, นี่จังทุกขังนัตตนั่นจังไก่สิเรียกว่าใจมีธรรมะสมบัติ คือปัญญาเห็นสัจธรรมทุกสิ่งทุกอย่างบรรดาที่มีการเกิดขึ้นก็ต้องเปลี่ยนแปลงแล้วก็ต้องแ ต, แตกดับสลายนี่เรียกว่าเห็นถ้มรูถ้มเห็นธรรมะนะครับแต่เบื้องต้นนิดๆหน่นนอยๆเห็นละเอียดเข้าไปจนเป็นปัญญาเป็นญานทัศน์ภายในจิตใจนั่นแหละมันก็สุขคอบโลกธาตุ อย่งว่าใจมีความสุขอย่างเดียวมีความสุขโดยธรรมสุขโดยความรู้ความเห็นตามเป็นจริงสุขโดยความปลอยความว่างความไม่ยึดมันถือมันนั่นมันจึงเป็นอมะตะสุขเป็นความสุขอันแท้จริงเป็นสุขอันไม่ตายเพื่นว่านี่ว่าสุขโดยธรรมะโดยการรู้การเห็นเข้าใจเป็นธรรมถ้าเห็นพิษ จากควอมนเป็นจริงเหรมันเป็นทุกข์บาดมันบ่าเป็นสุขนี่เตือนไปเที่ยวบ่อยๆไปเที่ยวอยู่เรื่อยๆให้ได้ธรรมะให้ได้ธรรมะเป็นที่พึ่งของใจคือสติธรรมปัญญาธรรมนี่เจียงจะอยู่เป็นสุขเปนอยู่เป็นสุขตลอดอนันตการสุขด้วยธรรมะ เราพอนะ